นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุททะสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุทสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมุ ออยะระเหโอเชียโตมุตเถจนิจสาวเกปปัญจสมติกันเตตินะโสกปะริตเวเตตาดิเตโอเชยโตนิบุเต กุโรพเยเมตตาปุญญสังฆาดงที่เมตตามาิก นะคือวันเป็นที่ฟังธรรมอันเวียนมาถึงเข้าอันหนึ่งวันธรรมสวรรคะนี้เป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันบูชาสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนา พุทธศาสนิกินทั้งหลายจึงได้พากันมาสมาทานศีนฟังธรรมทำการบูชาพระสัมมาสมพุทธเจ้ารอมทั้งกระทำ และประสงค์ตั้งแต่ในเวลาเช้าฉะนั้นจึงจะได้แสดงเรื่องวันมาฆบูชาโดยสังเขปแล้วแสดงเรื่องการบูชา ตามที่มีกำหนดในวันนี้สืบต่อไปวันมาคบูชานี้ได้ปรารบความประคุมสงส์สั้งใหญ่ ที่บังเกิดขึ้นในสมัยต้นพุทธกาลเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าวันจารตรงกัสันิบาต ท, ที่แปลว่าวันที่มีสันนิบาตคือ ความประทุมกันอันประกอบด้วยองค์สี่ประการก็คือพระภิกษุสงฆ์มีจำนวนที่ท่านกำหนดเอาไว้ วันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบรูปซึ่งลวนเป็นพระอระหันต์ขีนาจพคือเป็นพระอระหันต์ซึ่งสิ้นอาสวะกิเลสแล้วเป็นองค์อันหนึ่ง ล้วนเป็นเอหิพิกุคือแต่ละองค์เป็นพิกษุที่ได้อุปสมบทมาจากสมเด็จตบรมราศาสนาด้วยเพียงตรัสรวาจาว่าเอหิพิกุ แปลว่าจงเป็นพิกษุมากเกิดก็สำเร็จเป็นพิกษุขึ้นทันทีโดยพระพุทธโวาจานี้เป็นองค์อันหนึ่งล้วนไม่ได้นัดหมายนิมนตอาราธนา ต่างมากันเฝ้าพระพุทธเจ้าเองเป็นองค์อันลนึงและวันนั้นเป็นวันจันเพนที่ดวงจันผ่านเรากลุ่มเราเริกชื่อว่ามะคาซึ่งใช้เป็นชื่อเดือน นั้นว่ามาฆะทางจันทรคติจึงเรียกว่ามาฆมาดเดอนมาฆเช่นวันนี้และพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงทำวิสุทธอุโบสถ คืออุโบสถที่บริสุทธิ์เพราะที่ประชุมทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ศีลนาจบเป็นผู้บริสุทธิ์กายวาจาจิตจากกิเลสและของทุกข์ทั้งสิ้นด้วยกันทั้งหมด ทร ง, งแสดงโอวาทปาเิโมก ค, คือพระโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานแก่ประสงค์ทั้งหมดนั้นเป็นองค์อันหนึ่งจึงรวมเป็นองค์สี่ประการ ก็คือความประชงแห่งประสงค์หมญ่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขซึ่งมีลักษณะทั้งสี่ประการเหล่านั้นจึงเรียกว่ายาตุรงขันันนิบาตซึ่งบังเกิดขึ้น ในวันเพ็ญแห่งเดินมาคะดังกล่าวเช่นวันนี้ในสมัยต้นพุท ธ, ธกาลเพราะ <c oughs> ฉะนั้นจึงถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนา และนอกจากนี้ยังมีความสำคัญประการอื่นที่ประกอบอยู่ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้อีกด้วยคือเป็น วันที่พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสองหมหญ่ซึ่งล้วนเป็นพระอระหันต์ประชุมทำโอโบสดร่วมกันซึ่งจะเป็นครั้งแรกหรือไม่ ก็ไม่มีแสดงหลักฐานยืนยันคือไม่มีการแสดงมาแต่ก่อนว่าพระสงฆ์ได้มีการประชุมกันทําอุโบสถในวันประจัร์เห็นหรือวันประจันร์ดับ เหมือนดังที่พระสงค์ได้ประชุมกันทำโมโมสดสืบมาจนถึงบัดนี้อาจจะยังไม่มีการประชุมกันทำโมโมสดก็ได้ก็เพราะว่า เมื่อพุทธเจ้าได้ตรัสรูแล้วในวันกลางเดือนหกซึ่งเรียกว่าเป็นวันพระจันท์เพ่นเสลยดาวกลุ่มดาวฤกษ์ ชื่อ ว, วิสาขาซึ่งตั้งเป็นชื่อเดินว่าเดินเวสาขะหรือใครเราเรียก ว, วิสาคมาตรตรงวันเพ็ญกลางเดือน6กมาถึงวันเพ็ญกลางเดือนแปด พระองค์ก็ได้ทรงสแสดงปฐมเทศนาแก่ภิกษุเบญจวัคทีต่อจากนั้นก็ทรงสแสดงเทศนาโปรโดต่อไปจนได้มีอ้ฟัง ซึ่งสำเร็จเป็นพระอาหารหรันต์รอมทั้งพระพุทธเจ้าเลยตกเป็น61รูปจินได้ทรงมีพระพุทธดำรัรสรัดสั่งให้พระสาวกทั้งหลายแยกย้ายกันไป แสดงคำสั่งสอนเป็นการเริ่มประกาศพุทธศาสนาโดยให้แต่ละท่านเดินทางไปทางหนึ่งก็เพียงรูปหนึ่ง ไม่ไปเป็นหมู่แม้คู่กันเป็นสองรูปให้ไปทางละรูปทางละองค์เพื่อที่จะได้ไปแสดงธรรมะสั่งสอนได้หลายทาง ส่วนพระองค์เองก็มุ่งเสด็จไปประกาศพระพุทธศาสนายังแคว้นมคดเสด็จมุ่งไปที่กรุงราชกฤชเพราะฉะนั้นจึง ต่างได้แยกย้ายกันไปไม่มีโอกาสที่จะมาประชุมกันอยู่ร่วมกันเป็นหมู่และในระหว่างที่จะเด็จไปสูปก่กรุงราชศึกนั้นก็ได้ทรงสแสดงธรรมะโปรโด ที่ควรโปรดที่เป็นมูลใหญ่ก็คือมูลชดินสามพี่น้องที่ว่ามีบริวารรวมกันจำนวนมากกำหนดเอาไว้วันหนึ่งพันโปรดให้ท่านทั้งหมดนั้นได้รับ อุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสมปทาเหมือนอยากพระเบเชวคีและก็เสด็จไปตูกรง ร, รัติฤกษ์ก็ได้โปรด ท่านภะษาลิบุตรและท่านพระโมคันลานนะซึ่งทั้งสองท่านต่างก็ได้ออกใบสมัครเป็นสิทธิ์ของท่านคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง และก็ต่อมาก็เลยเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าร้อมทั้งบริวารขอเข้าบทเป็นภิกษุในพุทธาศาสานาทั้งหมดอันพโมกอันลานะเลยสมเด็จเป็นพระราหัต ก่อนท่านประสานิบุตรส่วนท่านประสานิบุตรมีแสดงว่าได้สาเร็จเป็นพระอราหันต์ในบ่ายในวันมาฆะบุญมีนั้นที่ท้ำสุกราคาตาเขาคิจกูดพระพุทธเจ้า ได้เสด็จจากเขาคิดจะกรูดในวันนั้นมาประทับที่พระเวโรวนารามสวนไทยซึ่งเป็นสวนหลวงซึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายให้ทรงทานัก และในเวลาบ่ายของวันนั้นจึงได้มีพระสงฆ์สาวกจำนวนมากเข้ามาเข้าเฝ้าอันนับได้ว่าเป็นการประชุมครั้งแรกแต่เป็นการประชุมใหญ่ก็ได้เพระก่อนแต่นั้น เมื่อท่านเขามาบทและได้สำเร็จกิจในพุทธศาสนาแล้วส่างคนเลยแยกย้ายกั น, ไป ป, ก น, นาา ไ, ไปประกาศพุทธศาสนาสามประพุทธานัดเสดสั่งไม่ออกไปประกาศจึงไม่ได้รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มแต่ในครั้งนั้น คือในวันมาพระคุณมีนั้นท่านพระสารีบุตรเพิ่งสำเร็จเป็นพระอระหันต์บริวารทั้งหลายก็ยังอยู่ในกรุมราชเจริญหรือในที่ใกล้นั้นยังไม่ได้แยกย้ายกันไปทั้งหมดเรื่อไปไกล พอจะมาประชมุมกันพระอรหุตุเจ้าในวันนั้นได้ถึงได้พากันมาบางท่านอาจจะเดินทางมาไกลสักหน่อยก็ได้ก่อนจะจะถึงวันมาาบุญมีนั้นแต่ก็มาถึงพร้อมกันในเวลาตะวันบ่ายของมาฆบุญะมีนั้น บนนั้นว่าเป็นการประชุมใหญ่กันจริงๆครั้งแรกก็เป็นโอกาสที่พระพุทธเจ้าจะได้ทรงตั้งธทรำรเนียมประชุมสงฆ์ธรรโอเบสังขกรรมบแต่ในครั้งแรกนั้นพระพุทธเจ้าทรงร่วมประชุมด้วยเป็นการประชุมกันธรรมโอเบสด และทำเลียมในการประทุมโมสถนั้นต้องการความบริสุทธิ์้อสืบเนื่องมาจากการประชุมครั้งนั้นซึ่งรลวงพุทธเจ้าในผระสง์สาวกปูเข้าปรุมทั้งหมดต่างก็เป็นพระอรหันตีนาศเป็นปูบริสุทธิ์แล้วจริงๆ บริสุทธิ์อย่างสิ้นเชิงทางกายทางวาจาทางจิตใจไม่มีกิเลสเครื่องเหมองเหลืออยู่แม้แต่น้อยจึงเป็นการไปชมกันของปูที่บริสุทธิ์การไปชมกันดังกล่าวนี้เองเรียกว่าอุโบสถของ พิกสูตรสงและเมื่อประชุมกันแล้วก็ควรที่จะต้องมีกิจที่จะต้องทำไม่ใช่มาประชุมกันแล้วค็แล้วไปไม่ได้ทำอะไรฉะนั้นในครั้งแรกนั้นพระพุทธเจา้า เปงได้ทรงสแสดงพระโอวาทอันเป็นข้อสำคัญซึ่งถือว่าเป็นหลักพุทธศาสนาเรียกว่าเป็นการวางหลักพระพุทธศาสนาก็ได้และการวางหลักพุทธศาสนานั้น ก็เห็นว่าเพื่อวางหลักพุทธศาสนาจริงๆเพราะว่าพระสงฆ์สาวกผู้เข้าเป็นทุมทั้งหมดนั้นต่างเป็นพระอาหารหันต์ีนาศกคือเป็นผู้เสียสติสิทแล้วจึงไม่ต้องปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสกันอีกเพราะสิ้นกิเลสแล้ว ภาร ก, กิจที่พระพุทธเจ้าทรงมอบหมายให้พระสงฆ์ปฏิบัติในครั้งนั้นก็คือประกาศพุทธศาสนาต่อไปเพื่อเมื่อเศรษฐกิจท่องตนเองแล้วก็บำเพ็ญประโยชน์กันรเรียกว่าอัศจริยาะระพฤติประโยชน์แก่โลก ด้วยการประกาศพุทธศาสนาช่วยชาวโลกต่อไปเพราะฉะนั้นพระโอวาทที่แสดงนั้นจึงไม่ใช่เพื่อที่จะสั่งสอนทุกสุนทานั้นให้ประพฤติปฏิบัติตนเองแต่ว่าทรงสอนเป็นการทรงวางหลักพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์ทั้งปวงได้รับสั่ง และเมื่อออกไปสั่งสอนพุทธศานสนาก็จะได้สั่งสอนตามหลักที่สงวางไว้นั้นเพราะฉะนั้นยังได้เรียกว่าโอวาทปาติโมคือโอวาททเป็นปาติโมคคือเป็นหลักเป็นประธานท่านแสดงว่า ในวันทัจจันเพนพรจจันดับต่อต่อไปจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเข้าร่วมประคุมกับพระสงฆ์สาวกทั้งหลายทรงทำโอโบสดที่บริสุทธิ์ดังกล่าวและก็ทรงสวดพระโอวาท นี่ในที่ประชุมส ง, งั้นเป็นโอวาทปาธิโมกต์คือเป็นปาธิโมก์ที่สงสวดทงแสดงเป็นโอวาทอย่างเดียวกันนั้นสืบต่อมาแต่อาศัยที่คูเข้ามาบวชเป็นไิ่ถุต่อมานั้น ต่างเป็นปูนเลี้ยวทุดปฏิบัติที่ดีบ้างที่ยอ่ยอหย่อนบ้างเพราะว่ายังไม่สำเร็จเป็นพระอระหันต์หรือเป็นพระอริยบุคคลเหมือนกันได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นในการทำบูจาในตอนหลังเมื่อพิสูมีมาก จึงปรากฏว่ามีปูที่ไม่บริสุทธิ์เข้ามาร่วมด้วยพระเจ้าจึงได้ทรงงดลงทำโมโมสดร่วมกับพระสงฆ์ตั้งแต่นั้นมาแล้วก็โปรดให้พระสงฆ์โดยมีภิกษุรูปหนึ่ง สวนสิขาบทบัญญัติที่พระองค์ทรงบัญญัติเอาไวใ้นนนญญวนในที่ประชุมสงฆ์นั้นและสิขาบทบัญญัติที่สวดในที่ประชุมสงฆ์ในวันอุโมสถดังกล่าวนั้นก็เรียกว่าสิขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์ซึ่งในบัดนี้ก็ได้ยืนยันตืดตรวจกันมา มีสองรอยี่สิบแติขาบทเป็นติขาบทที่มาในพระปาฏิโมกข์คือโย์เป็นปาฏิโมกข์เรียกว่าเป็นวินยัยยปาฏิโมกข์สืบต่อมาแต่แม้เช่นนั้นพระองค์ก็โปรดให้พิจุบทุกรูปที่จะเข้าทำอมโบวสดนั้นแสดงอบัตพฤตอกรรมอบัตที่บังเกิดขึ้น ในตนให้บริสุทธิ์เสียก่อนจึงเข้าร่วมทาอุโบสถเพราะฉะนั้นเรลาพิสุขที่ทําอุโบสถจึงต่างแสดงอาบัติของตทนที่มีการลุ่มละเมิดพระพุทธบัญญัติทำตนให้บริสุทธิ์แล้วก็เข้าทาอุโบสถสันกิบาฝจฟังประปาติโมก แต่อาจจะมีภิกษอุอรชีที่ไม่ละอายบกป็นอบัตเอาไว้หรวพุทธเจ้าทรงทราบแต่เมื่อม ไ, มมไม่มีพยานหลักฐานก็ไม่ทรงแสดงขึ้นจึงในทรงงดไม่ลงอุโบสถร่วมกับพระสงฆ์ที่ยังมีบุตรชน เข้าประชุมจึงอาจจะมีผู้บริสุทธิ์บ้างไปบนสุดบ้างโปรดให้ประสงค์ทางโบสถกันเองดังที่กล่าวก็เป็นคำเลียมสืบมาจนบัดนี้แต่ถึงแค่นั้นก็ยังตักษาังคำเลียมที่ต้องเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เป็นข้าร่วมประชุมแล้วก็ฟังวินัยปาฏิโม เพราะฉะนั้นเหตุการณ์ดังที่กล่าวมานี่จึงนับว่าเป็นความสำคัญอีกส่วนหนึ่งซึ่งบังเกิดขึ้นในวันมาฆาตุลามีครั้งแรกนั้นซึ่งเป็นวันจารุลงเหบาทครั้งแรกนั้นเพราะฉะนั้น จึงได้ถือเป็นวันบูชาสำคัญวันหนึ่งในพุทธศาสนาการบูชานั้นก็มีสองอย่างคืออมิตรบูชาบูชาด้วยอมิตรคือดอกไม้ธูปเทียนเป็นตน้นปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติ คือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการบูชาทั้งสองนี้เป็นข้อศึกสมควรกระทำอามิสบูชานั้นควรธรรทำตามกิจในโอกาสนั้นๆในที่ที่สมควรนั้นๆ ดวนการบูชาและการปฏิบัตินั้นควรกระทำเรื่องนิดไม่ใช่เฉพาะวันสำคัญในพุทธศาสนาเช่นวันนี้เท่านั้นและการบูชาและการปฏิบัตินั้นแสดงโดยเจาะจงในวันมาฆา น, นี้ ก็ควรปฏิบัติตามพระโอวาทปาฏิโมกที่ในจัดสอนเอาไว้มีคำแปลว่าคันติคือความคนทานเป็นตะบะอย่างยิ่งนิพพานเป็นธรรมะอย่างยิ่ง พระพุท ธ, ธทั้งหลายกล่าวไว้ดังนี้บรรพชิตไม่พึงทำร้ายผู้อื่นสมณะไม่พึงเบียดเบียนผู้อื่นเพราะว่า ผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นหาชื่อว่าบรรพิตใหม่ผู้ที่ทาผู้ที่เบ็ดเบียนผู้อื่นหาชื่อวัดสมณะใหม่การไม่ทำบาททั้งวปวงการทำกุศลไม่ถึงพรอมการทำกิจของตนให้ของแพ่ว นี่เป็นพุทธาศาสนาคำสอนของพระพุท ธ, ธทั้งหลายการไม่ว่าร้ายการไม่ทำร้ายความตํารวมในปาสิโม ค, ความรู้ประมาณในคัดตาหารที่นอนที่นั่งอันังัด ความประกอบในอธิจิตคือจิตยิ่งนี้เป็นพุทธาศาสนาคือคับสอนของพระพุท ธ, ธาทั้งหลายนี้เป็นคำแปลพระโอวาทปฏิโมกที่ทรงแสดงในวันนั้น อันพระคันธรจนาจาร์ทั้งหลายได้แสดงไว้จารึกไว้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจา้าพร้อมทั้งประธรรมประสง์ จึงสมควรทําการบูชาในวันมาฆบูชานี้ด้วยอเมธสบูชาและด้วยปฏิบัติีบูชาด้วยการตั้งใจปฏิบัติตามพระโอวาทที่เป็นหลักเป็นประธานนี้ด้วยการที่ตั้งใจทําขันติคือความอดกลั้นความอดทาน ตั้งใจมุ่งทากิเลสและของทุกข์ให้สิ้นไปอันเรียกวันนิพพานเป็นธรรมะอันสูงสุดและพึงตั้งใจที่จะไม่ทำร้ายใครไม่เบียดเบียนใคร เพื่อให้เป็นบรรพชิตเป็นสมณะผู้ที่เป็นบรรพชิตเป็นสมณะอยู่โดยแพก็ตั้งใจปฏิบัติให้เป็นบรรพชิตเป็นสมณะจริงๆผู้ที่เป็นครือขันผู้ครอเรือนก็ตั้งใจให้เป็นบรรพชิตเป็นสมณะทางใจด้วยการที่ไม่ทำไรใครไม่เปี่ยเบียงใคร สรุปเข้ามาแล้วก็คือตั้งใจกำหนดว่าพุทธศาสนานั้นสอนให้ไม่ทำบาปตั้งโงใูให้สำปุชนได้ถึงพร้อมและให้สำกิจของตนให้ปองแผ้วก็ปฏิบัติด้วยการที่ไม่ทำบา ป, ท ำ, ปทำกุจนพุทธสำกิจให้ปองแผ้ว โดยอาศัยมีขั้นตีความอดทนในการปฏิบัตินั้นและเมื่อแสดงออกโดยละเอียดอีกสักหน่อยหนึ่งแล้วก็คือว่าไม่กล่าวไร่ตกใจไม่ทำไรต่ตกใจตํารวมในปาฏิโมกข์ก็คือว่าในข้อปฏิบัติที่เป็นหลัก ทั้งหลายของกายของวาจาของใจเป็นการปฏิบัติตามพระโอวาินี้ให้รู้ประมาณในพัฒนาหารให้อยู่ในที่นอนที่นั่งอันสงัด ต, ตามสมควรคือรู้จักที่ยะเปรี่ยตนมาสู่ที่สงบสงัดแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติรมจิตใจ ให้ได้สมาธิแม้เป็นคณิกาสมาธิสมาธิตัวเราคือให้มีจิตใจสงอย่งกว่าจิตใจสามัญธรรมดาที่วุ่นวายอยู่ด้วยอารมณ์ในเรื่องทั้งหลายให้ทําจิตใจให้สงบขึ้นเพื่อให้ไรปัญญาถึงความรู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงตามเดียวกับพระเจ้าทรงสั่งสอนตั้งใจปฏิบัติดังนี้ก็ชื่อว่า เป็นการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าอันสมควรที่จะกระทําในวันมาฆบูชานี้และผู้ที่ปฏิบัติ ด, ดังนี้ก็มีพระพุทธภาสิทธิแสดงไว้ว่ายอมได้บุญเป็นอันมากดังที่ตรัสเอาไว้ว่าเมื่อบุคคลบูชา พระพุทธเจ้าคุรินปราสาวบกทั้งหลายซึ่งเป็นบุคคลคูวลมูชาภูที่ก้าวล่วงกิเลสอันเป็นเหตุให้เลินชาข้ามความโศกเล่นปลาพันจูนทับปวดใจได้แล้วบุญ แห่งบุคคลผู้บูชาพระพุทธเจ้าหรือพระสาวบกผู้ควรบูชาเช่นนั้นเหล่านั้นผู้ที่ดับกิเลสแล้วหรือดับขันไปแล้วคนนี้เป็นผู้ไม่มีภัยไม่มีเวรแต่ที่ไหน ใครๆไม่อาจเพื่อจะนับเลยว่าบุญนี้มีประมาณแม้เพียงเท่านี้ดังนี้คือว่าเป็นบุญกองใหญ่ที่นับไม่ได้มีอาธิบายดังแสดงมาด้วยประกาศนี้